วันนี้พวกเราได้มาพร้อมกันตอนเช้าก็ได้ทำบุญตักบาตรสมาทานศีลขณะนี้เป็นเวลาตอนเย็นพวกเราได้ร่วมกันทำวัดสวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ตลอดถึงกล่าวถึงชีวิตของพวกเราชรลาธรมมหิ การเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาให้สำนึกสำเนียกจนแผ่วทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ ท, ท้งหลายสเพสัตาชดาหุนตุกก็เสร็จสิ้นลงแล้วต่อนี้ไปก็จะได้ฟังแนวความคิดเห็นในหลักของพระพุทธศาสนาที่อาตมาจะได้นำมาว่ากล่าวให้พวกเราได้ รับรู้รับทราบกันต่อไปธรรมะของพระพุทธเจา้าถ้าจะว่าไปแล้วเป็นธรรมะที่กว้างขวางแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันจัดบอกเป็นขันเป็นหมวดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นพวกเป็นวรรคตอนหลายหลายอย่างถ้าจะพูดไปก็ยิ่งยุ่งเหยิงบุบวายยิ่ ง, ง, งไม่เข้าใจยิ่งสับสนไปอีก เ, อเป็นอันว่าธรรมะของพระพุทธเจานะ้ามีมาก 8ปดหมี่พันพระธรรมขันถ้าจะยกหยิบยกมาทั้งหมดเหมือนกับยกป่ามาทั้งป่าไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรแต่ทั้งที่เหล่านั้นเป็นยาทั้งหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันธรรมะ8ปดหมสี่พันพระธรรมขันนั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไดเอามาสั่งสอนพี่น้องประชาชนญาติโยมพุทธบริษัทพระสงฆ์องค์พระเจ้ามาแล้วได้รับผลประโยชน์มาแล้ว แต่ว่าจะเอามาทั้งหมดทั้งรุ่นนั้นคงจะไม่ได้เพราะฉะนั่นครูบาอาจารย์ท่านจึงได้หยิบยกเป็นประเด็นประเด็นในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาะแต่ละครั้งพระพุทธองค์ขึ้นนั่งบนธรร ม, มาทิแล้วพระ อ, องค์มีญานัทธศนะมียานทัศนะตรวจตราดูสรรพสัตว์ทั้งหลายทีมานั่งประชุมกันในเฉพาะเป็นวั น, วน ว่าวันนี้ธรรมะเราจะออกในลักษณะไหนพระพุทธองค์ก็ดูในพุทธบริษัทสถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่จะได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลในขณะนั้นพระพุทธองค์ก็เล็งเป้าไปสู่จุดนั้นก่อนพูดเป็นธรรมะแต่ตัวเองไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้ามองดูแล้วว่าใจของคนนั้นบารมีของคนนั้นแก่กล้าแล้วพร้อมที่จะ เหมือนกระดอกบัวพร้อมที่จะเบ่งบานเมื่อถูกแสงพระอาทิตย์อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมให้ฟังก็เข้าใจในหลักธรรมแต่คนอื่นบารมียังอ่อนอยู่ก็ฟังฟังไปเพื่อประดับสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่ส่วนที่คนไหนท่านไหนในพุทธบริษัทสี่ที่พระพุทธองค์ขึ้นทรงนั่งแสดงธรรมนั้นพระพุทธองค์เล็งเป่าไว้แล้วว่าท่านผู้นั้น อุบาสกอุบาสิกาท่านนั้นจะได้รับธรรมะในวันนี้พุทธองค์ก็ชี้แจงธรรมะจุดนั้นให้ผู้นั้นเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามบุญบารมีวาสนาบารมีของท่านที่ได้สังสมมาแปล ว, ว่าธรรมะวันนั้นก็ได้ประโยชน์สําหรับกลุ่มนั้นแต่บางคนเมื่อได้ ธรรมะกันเดียวกันธรรมะข้อความอันเดียวกันบางคนก็เป็นพระอระหันต์บางพวกก็เป็นพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันบางพวกก็ถึงพระไตรสระคมบางพวกก็นับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงค์บางคนก็ตกนรกก็มีทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะภูมิจิตภูมิใจของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่บางคนพอไปนั่งฟังก็าทาไมขี้คุยนะทำไมพูดเป็นไปไม่ได้ขัดขวางขัดข้องอยู่ในจิตในใจคล้ายๆกับไม่ทำใจให้เป็นกลางขณะที่ฟังทำใจให้สุดต่งเอาทิฏฐิมานะของตัวเองเข้ามากดดันเข้ามาแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่เชื่อถือแสดงความไม่เคารพพวกนี้เนี่ยตายไปแล้วตกนรกเราวงนั้นแฟังเทศทั้งที่จะได้คุณประโยชน์ กับตกนรกในจิตในใจขณะนั้นเผาไหม้จิตใจอยู่ตลอดเวลาขณะที่ฟังเทศเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมจะไปฟังในสถานที่ใดก็ตามทําใจให้เป็นกลางๆเอาไว้ผู้เคยฟังเอผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ ขณะฟังทางว่าทําใจให้เป็นกลางน้อมนําความรู้ความคิดไปตามที่ท่านแสดงเอาไว้จิตใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขผ่องใสขึ้นมาอันนี้คือการฟังทางว่าเราใช้ทิฏฐิมานะของเราเป็นพื้นฐานท่านพูดอะไรขึ้นมาก็มีแต่ว่าท่านโม่ท่านคุยแต่ตา ม, มจริงท่านไม่ได้โม้ไ่ได้คุยได้ เอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะมาย่อยอีกทีหนึง่งถ้าว่าเอาทางรุ่นเอาทางป่าดงพงไพมาทุ่มเทเข้าจิตใจของเราพวกเราก็คงจะไม่รู้จักอืมพูดอภิธรรมเข้ามากุศลธรรมมากุศลธรรมมากิตเท่านั้นดวงจิตเท่านี้ดวงพวกเราก็คงจะไม่เข้าใจเหตเพราะนั้นท่านจึงหยิบยกเอาสิ่งที่พอจะรู้ได้เหมือนกับพ่อแม่ผู้ฉลาดเลี้ยงลูก ลูกตัวเองยังเป็นเด็กเกิดมาใหม่จะให้อะไรเป็นประโยชน์แก่ลูกของเราพ่อแม่นั้นก็จะต้องดูอันดับแรกก็คือให้น้ำนมให้น้ำไปก่อนต่อมาก็ให้อาหารอ่ อ, อนๆเคี้ยวข้าวบ้างกล้วยเอาป้อนเข้าไปบ้างกล้วยอะไรที่จะทำให้ลูกตัวเองไม่ท้องอืดท้องเฟอ้อเกิดประโยชน์เขาก็รู้จักของเขา ต้องศึกษาต้องเรียนรู้จากนั้นก็ให้อาหารอาหารประเภทไหนบ้างที่จะให้ลูกของเราเอแข็งแรงต่อไปพ่อแม่ก็จะส่องเลี้ยงลูกต่อไปก็กินอาหารหนักขึ้นไปเรื่อยๆผลที่สุดเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็กินเหมือนพ่อเหมือนแม่อันนี้ก็เหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอันดับแรกก็อา้าวปลูกศรัทธาซะก่อนคือความเชื่อ ให้มีความเชื่อในจิตในใจสัก่อนถ้าคนไม่มีความเชื่อแล้วคนไม่มีศรัทธาคนไม่มีความเชื่อในจิตในใจแล้วเหมือนกับกระลมังหรือกระป๋องคุกระป๋องอะไรก็ตามหรือองค์ไหอะไรก็ตามคว่ำปากลงไปในแผ่นดินเอาก้นขึ้นฟ้าฝนตกในจั ก, กรวาลเป็นร้อยเป็นพันปีก็ไม่สามารถที่จะขังน้ําได้เพราะเหตุไรพอมันความก้อนอันนี้ก็เหมือนกัน คนที่มีมีศรัทธาก็เหมือนอย่างนั้นแหละไม่มีความเชื่อในจิตในใจแล้วถึงจะเทศนาว่าการถึงจะได้รับธรรมะขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนคนนั้นเป็นคนดีได้ไม่สามารถที่จะให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในจิต ใ, ใ, จ, ใจได้เพราะนั้นอันดับแรกคือต้องปลูกศรัทธาก่อนศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้า เป็นอย่างไรพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุผลอย่างไรพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านปฏิบัติอย่างไรเอ่อันนี้เราต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเอเราเข้าใจแล้วเออแล้วก็มีศรัทธาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสยัมภูรู้แจงโลกรู้แจงอะไรเอีก่อนที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเกิดมาด้วยอย่างไรท่านเป็นใคร เกิดที่ไหนท่านเทวดาอินพรหมไหมเป็นบุคคลลึกลับไหมหรือเป็นคนอย่างไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาในพุทธประวัติเมื่อศึกษาดูแล้วพระพุทธองค์ก็เป็นคนธรรมดาแต่ท่านเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นอยู่กรุงกบิลละพัทเป็นลูกของพระเจ้าสุโทโธทนะมีพ่อมีแม่มีวงศ์สาคอนายาตมีญาติมิตรสหายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่ทำไมพวกเราจึงให้ความเคารพจึงให้ความนับถือให้ความกราบไหว้สักการะบูชาทำไมนีอันนี้เราก็ต้องศึกษาอีกเมื่อพระพุทธองค์เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทั้งหลายแต่จิตใจของพระองค์นั้นแตกแตกต่างกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นคนที่จะสูงส่งขึ้นมาได้นะสูงส่งที่ใจพระพุทธองค์ในหลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์ยกย่องใจเป็นสําคัญถึงจะรูปร่างกลางตัว ขี่ลายขีเลห์ูหนวกตาบอดก็จริงแต่จิตใจของท่านสูงส่งเป็นพระอระหันต์อย่างพระจักกุบาลตาท่านบอดแต่ใจของท่านเป็นพระรอรหันต์การกราบไหว้สักการบูชาล้วนแล้วแต่เป็นเป็นบุญเป็นคุณสําหรับผู้ใดพบได้เห็นทั้งนั้นแหละถึงจะเป็นพระงูหนวกอะไรก็ตามแต่ใจของท่านสูงส่งเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นอริยะบุคคลก็เป็นพระทีด่ดีอันนี้พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ท่านยกย่องนับถือว่าใจเป็นสําคัญอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่เป็นมนุษย์พุทธโอใจของร่างกายพระองค์เป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพุทธโธเป็นพวกพุทธทเจ้าร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจของพระท่านเป็นพระอระหันต์ท่านว่ามนุษย์อรหันโตอรหันตะสัมมาออรหันตตะสาวกจากนั้นมาก็ มนุษสะเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาจิตใจพร้อมที่จะเมตตาให้แกสรปสัตทั้งหลายแกหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายถึงจะเป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงส่งจิตใจเป็นเทวดาจิตใจเป็นพรหมอันนี้ว่ามนุษสะเทโวมนุษยามนุษยโสคือร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์คือรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเพื่อนฝูงมนุษย์ ควรทำตัวอย่างไรในเพื่อนฝูงกันมีเมตตาอารีต่อกันอันนี้เรียกว่ามนุษส์มนุ ษ, ษ, น ษ, ษโสจิตใจเป็นมนุษย์กายก็เป็นมนุษย์ถ้าต่ำกว่านั้นลงไปทีนี้มนุษสติรฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ติรชานไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเห็นใครกัดดะไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้จักปรูบาจารย์ ไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจิตใจเหมือนสัตว์ติรฉานอันนี้เลยว่ามนุษย์สัติรฉาโนงอมนุษย์เปโตเอนี่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจต่ำสามลงไปเป็นเปรตเออมีอะไรมีแต่ชอบแก่งชอบแย่งคนเอ่ไม่มีรู้จักดีรู้จักชั่วเอเพราะนั้นมนุษย์เอ่มันต่างกันอยู่ที่จิตใจในหลักของพระพุทธศาสนา เพราะนั้นพวกเราตรวจตราดูใจของพวกเราในขณะนี้ว่าใจของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ประเภทไหนออไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองเพราะนั้นพวกเราจงตรวจตราดูหัวใจของเรานะออที่พูดกล่าวทั้งหมดไม่ได้ตาหนิผู้ใดใครผู้หนึ่งให้ชี้เข้ามาหาตัวเองอย่าไปกำหนดผู้อื่นเออผู้นั้นเป็นมนุษย์ติรชชโนออคนนั้นเป็นมนุษย์อย่างนั้นผู้นี้เป็นมนุษย์ตัวเองเป็นมนุษย์อะไร ให้ดูท้าว่าเราเป็นไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วก็เป็นมนุษย์ติระฉาโนอะไรแบั้นแต่จิตใจของเรา <c oughs> มีความเอื <c oughs> อ้อเฟือ้อเอื้ออารีเมตตาต่อเพื่อนมนุษยชาติจิตใจของเราเย็นสบายไม่เบียดเบียนใครจิตใจของเราอบอ้อมอารีเราก็เป็นมนุษย์สามนุษย์โศถ้างว่าจิตใจของเราสูงส่งพร้อมที่จะมีมเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษยชาติเราก็เป็นมนุษย์สาเทโบไปอเพราะนั้น ให้พวกเราทั้งหลายทุกๆคนนะทุกๆนะ ท, ท, ท่านให้ดูตัวเองในการเป็นอยู่ในการกระทาในความคิดนะอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าบทหนึ่งกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งหมวดมูหนึ่งว่างั้นเออไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่หลวงพ่อพูดนัน่ะพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคา หยิบยกมาให้พวกเราได้เข้าใจในแง่มุมหนึ่งในหลักของพระพุทธศาสนาให้ซ้ำเนียกซ้ำนึกให้ตรวจตราดูตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ท่านเป็นมนุษย์สัพุทธโธกิตร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่ใจของท่านเป็นพุทธะก่อนที่ท่านจะได้เป็นพุทธเจ้านั้นท่านทาอย่างไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาอีก ท่านออกไปบวชเมื่ออายุยี่สิบเก้าปีท่านก็มีครอบมีครัวมี อ, กอักมเฮศีมีบุตรพระราหุลออกไปบวชอยู่ในป่าตามลําพังฝั่งแม่น้ําเนรัญชราครึ่งหกปีบําเพ็ญอยู่นั่นลองผิดลองถูกอยู่นั่น่ะอ อ, อทดลองตัวเองอยู่อย่างนั้นบําเพ็ญสมาธิปัญญาอยู่อย่างนั้น าศาสนาในยุคนั้นมีมากมายมีหลายาศาสนามีความเห็นเจ้าคณาจารลัทธิต่างๆเอแข่งขันกันแต่พระพุทธองค์ท่านไม่ได้แข่งขันใครละท่านก็ไปบําเพ็ญของท่านท่านก็ทําเหมือนกับศาสนาธรรมอย่างนั้นท่านก็ทําเ อ, อไม่ใช่ทางเอากลับมาเอ า, เาทดลองอย่างนี้ดูเอาทําเป็นยังไงทดลองเป็นเวลาถึงหกปีบําเพ็ญอยู่อย่างนั้น ไปศึกษากับดาบ ท, ที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้ยินว่าท่านมียานัทธสนอพุทธองค์เขาไปศึกษาก็ได้สำเร็จจบตามหลักวิชาของดาบทดาลาดาบตพุทธกะดาบทสองฤอษีจนฤอษีทั้งสองท่านยกให้บอกว่าเนี่ยจบเพียงแค่นี้ผู้ที่จะจบอย่างนี้หาได้ยากเพราะนั้นเมื่อเราก็แก่แล้วขอให้สิด ธ, ธานนะเป็นอาจารย์สอนศิษย์ต่อไป เราจะมอบให้แกท่านพระพุระองค์มองดูแล้วไม่ใช่หนทางมันจบเพียงแค่นั้นมันต้องสูงขึ้นไปกว่านี้อีกในการที่จะบําเพ็ญนะเพราะเหตุใดท่านจึงรู้อย่างนั้นเพราะบา ร, รมีของพระ อ, องค์เป็นผู้ได้สั่งสมมาบริบูรณ์แล้วมองอะไรทะลุ ป, ปุโ ป, ปอ่งไปหมดแต่มันค้ายค่าบันยังไม่ใช่ความรู้เพียงแค่นี้ยังไม่ใช่เอย่างนั้นะ่ะ เ, เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็ถอยออกมาอีกไปบําเพ็ญตามลําพังพระ อ, องค์เอง ผลที่สุดพระองค์ก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ตัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นเวลาหกปีที่พระองค์บําเพ็ญอยู่ตามลําพังจากนั้นก็พพุทธองค์ก็ได้นําพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรก็มาประกาศเอาพระธรรมนะั่นคือคําสั่งสอนพระธรรมนะ่นคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าพระธรรมธรรมะคือคําสั่งสอนเอามา แนะนำสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกเป็นพวกแรกท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์อีกเมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าพระสงฆ์มาเนี่เป็นผู้ปฏิบัติตามคําพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเลยสงสาวกผู้สดับพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์สาวกสาวกะเป็ว่าผู้สระดผู้สดับรับฟังจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์สาวก ก็นําพระธรรมออกมาเผยแผ่กระจายออกไปทีนี้แนะนําพี่น้องประชาชนพุทธบริษัทสี่พระพุทธองค์ก็สอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนกันพระสงฆ์ก็แตกออกไปในสถานที่ต่างๆอย่างพวกเราพุทธบริษัทอย่างทุกวันนี้ก็พระสงฆ์เป็นผู้ประกาศเผยแผ่ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน แนะนำสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์นำพระธรรมคำสั่งสอนมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเกระจจอยอาหารอย่างที่พวกเราถ้าหักว่าผู้ใดที่เข้ามาใหม่ก็ปลูกศรัทธาคือความเชื่ อ, อ, อไว้ก่อนอย่างที่กล่าวเบืเอ้องต้นจากนั้นเมื่อเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านสั่งสอนเรื่องอะไรสาหรับฆรวาสท่านก็นเน้นหนะักเรื่องศีลห้าป็นบุคคลดี สัมมาทิฏฐิอยู่ในคารวาต ธ, ธรรมธรรมของคารวัอสัจจะการอยู่ร่วมกันให้มีสัจจะคือความจริงใจต่อกันไม่ใช่ว่าลบหน้าลบหลังตอแหลต่อกัรครบไม่ได้สัจจะให้มีความจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนในเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีความ โมโหโทโสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่าไปปล่อยโป้งป้างออกไปจะทำให้เสียหายได้ให้ข่มเอาไว้สะกก่อนกันรองด้วยเหตุด้วยผลสักก่อนว่ามันผิดมันถูกอย่างไรบางทีมันเรื่องยังไม่เป็นเรื่องเราก็โป้ง ป, งป้างออกไปเสียเราทีนี้ไม่รู้จักข่มจิตเอาไว้เพราะนั้นการข่มตัวเองเอาไว้ก่อนฟังเหตุฟังผลฟังหน้าฟังหลังฟังซ้ายฟังขวาฟังให้รอบทิศสก่อน มั่นใจซะก่อนจึงปล่อยออกไปพูดออกไปด้วยความจริงใจอันนั้นแปลว่าธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนขันติคือความอดทนคนเราเกิดมาแล้วจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราต้องมีขันติทั้งทางนอกขันติข้างในขันติข้างนอกก็คือหน้าที่การงานการทางานทาการกับหมูกับเพื่อนจะต้องมีกระทบกระแทกแดกดันกันเป็นธรรมดา เราจะอยู่คนเดียวขนาดเราอยู่คนเดียวอารมณ์ของเรายัางชุนขึ้นมาเป็นบางครั้งโมโหตัวเองเป็นบางครั้งไม่พอใจตัวเองบางครั้งมันก็ยังมีเพราะนั้นเราจะไปพูดถึงเมื่อเขาอยู่ร่วมกันลหลายหคนหลายคนก็นานาจิตตังนานาทัศนนานาจิตตังคือนานาจิตเอจิตใจแต่ละคนนานาทัศนก็คือความเห็น แ, กแตกต่างกันเนี่ยกับเราเพราะนั้นจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ แต่ใจของเรายังไม่ถูกใจของเราเองเพะฉะนั้นกันอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีขันติคือความอดทนอดกลั้นตลอดถึงหน้าที่การงานเย็นร้อนอ่อนแข็งในการทําการทํางานจะต้องมีความอดทนเอถึงจะเหน็ดเหนื่อยก็อดทนเพื่อให้งานนั้นสําเร็จรุลวงไปได้อันนี้เปรียกว่าขันติจาคะ การอยู่ร่วมกันต้องมีการเสียสละจาคะมีการเสียสละาการให้แบ่งปันให้ผู้อื่นให้วิชาความรู้ให้น้ำจิตน้ำใจให้อภัยซึ่งกันและกันจากนั้นก็ให้ข้าวน้ำปัจจัยแก่พ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่ได้เลี้ยงดูเรามาเราก็ควรจะมีจาคะเสียสละทดแทนพระคุณของท่านเป็นเบื้องตน จากนั้นเอเราก็เอจาระบริจาคต่อเพื่อนฝูงเออสามีพรนยาเอให้อภัยซึ่งกันและกันจากนั้นก็ให้จาระให้แก่สัตว์สัลายสิงช้างมา้าโบควายมูม้าเป็ดไก่ที่อยู่กับเรามันเราก็ต้องมีจาระให้แก่มันเหมาที่ถ้าเราไม่เลี้ยงมันไม่ให้จาระมันนะไม่ดูแลมันหมาก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะเราไม่มีจาคะแมวก็อยู่ไม่ได้ ไม่ต้องว่าถึงลูกถึงหลานถึงใครๆทั้งหมดเพราะนั้นต้องมีจาระคือการเสียสละไล่รู้จักแบ่งปันถ้าว่ารู้จักแบ่งปันแล้วพวกเราจะได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจา้าอันนี้ก็คือครวัตธรรมคือส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติสัจจะความจริงใจธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตน ขันติให้มีความอดทนจาคะให้มีความเสียสละสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ควรให้ปั่นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนําครว่าจากนั้านท่านก็ให้มีสินห้าสินห้าประการสินห้านี่สำหรับสินของครว่าเท่านั้นไม่ใช่สินของพระศินของพระคือศินสองร้อยี่สิบเจ็ดสินของสัมมาเนสินสิบสินสองครว่าสินสองขยะ คือขยักแรกก็คือบุคคลให้เป็นคนดียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะเป็นที่พึ่งไม่นับถือาศาสนาอื่นนับถือแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่งคือปลูกศรัทธาศึกษาดูแล้วว่าพระพุทธศาสนาเอเป็นที่ยอมรับในจิตใจของเราเราก็นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่งอืจากนั้นก็ศึกษาเรื่องคำสัสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนยังไงท่านใครสอนให้มีทานศีลภาวนาอทานะแปลว่าการให้นี่เพราะพระุทธเจ้าทําไมจึงสอนในการให้ทานการเสียสละสิ่งของของตนนั้นเป็นของที่หวงแหนมากทั้งที่เราสละแสวงหามาด้วยความยากลําบากพระพุทธเจ้าทำไมสอนจึงให้ทานให้แก่คนอื่นไปเออพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่คนเดียวน่ยไม่มีใครช่วยเหลืออยู่ตามลาพังคนเดียวมันอยู่ไม่ได้มนุษย์ของเรา เมื่อการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ึ่งกันและกันเอมนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกันถ้าหากว่าไม่มีการเสียสละไม่มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันมนุษย์ก็อยู่ด้วยกันลําบากอยู่ด้วยกันไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเพราะไม่มีการให้อภัยกันไม่มีการเสียสละต่อกัน ไม่มีการแบ่งปันราบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนฝูงได้ใช้ได้สอยได้อยู่ได้กินกินแต่ลําพังคนเดียวผลในสุดคนที่ไม่ได้กินเขาก็มาฆ่าเราอีกอย่างเก่าเพราะนั้นการแบ่งปันกันเป็นชีวิตของมนุษย์ที่จะร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะการเสียสละการแบ่งปันตามอัตภาพไม่ใช่ว่าเราได้มาเท่าไหร่เราจะเก็บทั้งหมดก็ไม่ถูก มีเท่าไหร่เราจะแบ่งเขาหมดก็ไม่ถูกรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้รู้จักแบ่งปันให้แก่เพื่อนมนุษยชาติพ่อแม่เราจะให้ยังไงสามีพัญญาเราจะให้ยังไงลูกเต่าล้านเลนญาติมิตรสายเราก็ควรจะแบ่งปันยังไงเมื่อเขาตกทุกข์แต่ ย, ยากมาอันนี้เราก็ต้องได้คิดมองให้รอบรู้รอบครอบรอบด้านอันนี้นะทางว่าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยขอเราจะได้รับความเป็นธรรมความร่มเย็นผาสุก ในการอยู่ร่วมกันอันนี้ว่าจาคะแต่ถ้าเราไม่มีการแบ่งปันเฉลยจิตใจของเราก็แห้งผักจิตใจของเราก็เราร้อนใครจะมาพึ่งพาอาศัยมีแต่เอมีแต่ขวากมีต่หนามปล่อยออกไปใครจะมาอยู่ใกล้ได้ผลที่สุดเขาก็เลยพยายามจะตัดขวากตัดน้ําทิ้งเองรวมหัวกันกันเลยนั่นแหะแอนตี้แล้วว่าข่าเราทิ้งซะอทําไมมันพูดอย่างนั้นขึ้นมานี่เอพราะนั้นเมื่อเราให้โทษแก่เขาเขาก็ต้อง ให้โทษแกเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะให้โทษเขาอย่างเดียวนะเขาก็พร้อมที่จะให้โทษแกเราเหมือนกันเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันถ้าว่ามีการเสียสละมีการให้อภัยมีการให้ความรู้ความฉลาดมีการให้ธรรมะแกทุกๆคนทุกคนก็เอา้ายอมรับเมื่อได้รับคำคำสั่งสอน้ว่าได้รับการให้อภัยหรือว่าได้รับการแบ่งปันฐานะในการ ลักษณะของแต่ละคนซึ่งกันและกันนี่แหละการอยู่ร่วมกันจะมีความร่มเย็นผาสุกอันนี้คือฐานะศีระคือรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชีวศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าอย่างที่กล่าวเบื้องตน้นสําหรับคราว่าต์แล้วก็คือศีลห้าประการนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่มุสาไม่ดื่มสุราอันนี้คือศีลห้าเพราะนั้น ก่อนที่เราจะตําหนิคนอื่นเหือพระไม่ดีอย่างงั้นพระไม่ดีอย่าง น, น, างนี้ควรจะดูตัวเองสัก่อนนะเรามีศีลหา้าสำหรับพระพุทธเจ้าสอนว่าเรามีศีลห้าบริบูรณ์หรื อ, อยังเอถ้าเรายังไม่มีศีลหา้าแสดงว่าเราบอกออกไปก็เราก็ชั่วคนหนึง่งอคนที่เราตําหนิก็ชั่วอีกคนหนึ่งแต่ถ้าว่าคนที่เราตําหนิมันชั่วแต่เราดีเอ อ, อันนี้แปลว่าควรตําหนิเขาแต่เราก็ชั่วแสนชั่วอยู่แล้วยังไปตําหนิคนอื่น เหมือนกับเ อ, อหมูไปนอนคูดด้วยกันเลยก็มาตําหนิกันลักษณะอย่างนั้นแหละมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนดีเราก็สามารถที่จะตําหนิคนชั่วได้แต่เราก็ชั่วยิ่งกว่าเขาแล้วจะไปตําหนิคนที่เขาชั่วอีกบางทีเขาอาจจะไม่ชั่วเหมือนเราก็ได้ เ, เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตําหนิคนอื่นเราต้องมองดูของเราเสีก่อนถ้าว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือว่าตําหนิตัวเองยังมีบกพร่องในในตัวของเราอยู่ การพูดอะไรก็อย่าให้มันเต็มปากเกินไปอย่างนั้นเถอะคล้ายๆกว่ายั้งไว้บ้างในความคิดในการพูดของตัวเองเพราะตัวเองก็ชั่วเ อ, อยิ่งกว่าเขาใช่ไหมแล้วไปตําหนิเขาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เ อ, อธรรมะของพุทธิจารย์ันสอนนะโอปะนียโกให้น้อมมหาตัวเองตรวจตราดูตัวเองซะก่อนอันนี้คือศินศินของครวญสินห้าเนี่ยแหละเป็นเครื่อง ประกาศว่าบุคคลใดเป็นคนดีอุบาสกคนไหนเป็นคนดีบาซิกาคนไหนเป็นคนดีถ้าผู้มีศีลห้านั่นแะผู้นั้นนะรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคนดีของมนุษย์แต่ถ้าว่าขาดศีลห้าแล้วยังรับรองไม่ได้ยังขาดตกบกพร่องอยู่แต่ถ้าว่ามีศีลห้านั่นเป็นคนดีของสังคมถ้าทุกคนมีศีลห้าทั่วโลกโลกใบนี้ก็น่าอยู่เรื่องทะเลาะวิวาทกันเรื่องจะ ข้าฟันรันแทงกันท่านที่จะพูดอะไรออกไปก็มีการเห็นอกเห็นใจกันทั้งนั้นแหละคนที่มีศีลห้านะเดี๋ยวนี้โลกของเรามันขาดศีลธรรมจะทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนวุ่นวายโลกเดือดร้อนวุ่นวายเพราะขาดศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราอุบาสกอุบาสิกายึดมั่นในหลักธรรมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน่ยมีแต่ความสงบพร้มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละ อันนี้คือสินห้าแต่มากกว่านั้นไปอีกสินอุโบสถที่พวกเราได้รักษาในวันนี้สินอุโบสถอุโบสถสินคือสินแปดเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้ละเอียดเข้าไปอีกคือไม่กินอาหารในเวลาวิกาลคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้กินอาหารท่านบอกว่าเป็นการกินอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายตามไม่จริงอาหารมื้อเดียวก็พอแล้วละ่ะแต่ทาไมไปหากินอีก บางคนก็ติดในรถในลิ้นเอทำไม่ได้กินอาหารโอ้โหลุกเป็นฟืนเป็นไฟใน จ, ใจิตใจหาความสงบพ้าสุขไม่ได้พูดองค์กระบอกอา้าวตัดกิเลสตัดกิเลสชิวหาตัดกิเลสลดออกจากลิ้นไม่กินอาหารตัดกิเลสตัวนี้เที่มันเข้ามาทางสัมผัสทางรถทางลิ้นเเนีี่ตัดออก อ, อ, อันนี้ก็คือขัดเกลากิเลสส่วนหยาบอันหนึ่งไม่ให้มันมารบกวนทาง จ, จิตใจ ข้อที่เจ็ดนัตจักีอ่ไม่ร้องรําทําเพลงไม่ดูการร้องรําทําเพลงแล้วก็ไม่ร้องเพลงในใจด้วยอการร้องเพลงในใจถึงจะไม่ออกเสียงก็ใจร้องเพลงไม่ถูกเหมือนกันนะ่ะอให้ระมัดระวังอย่าไปร้องเพลงในใจเพียงศีลแปดเท่านี้มันก็ผิดแล้วอถ้าศีลของพระเลยยิ่งผิดใหญ่เพราะงั้นเถอะอย่าให้มี ถ้าร้องเพลงเกิดสทับพุโทโธเข้ามาเลยเพราะมันร้องเพลงอาหลงแล้พุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาพุโทโธเข้ามาสำทัพนะอย่าให้มันร้องเพลงในใจไม่ได้เนีอยร้องเพลงเพลินอย่างนั้นไม่ได้เนีอยมันกิเลสทั้งนั้นละ่ะนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ให้ดูการฟ้อนรําทําเพลงหรือไม่ให้ทําเองเอแล้วไม่ฟังคนอื่นทําเอไม่ให้ฟังวิทยุโทรทัศน์อะไรทั้งหมดนะเอตัดไวจกรอันนี้แปลว่าตาตากระทบลูก อหูกระทบเสียงเออันนี้หูกระทบเสียงเพราะงั้นทีนี้ก็ตัดกิเลสอีกตัวหนึ่งอีกอมาลาคันทะวิเลไม่ให้ทัดทรงดอกไม้ของหอมไม่เอาของหอมมารูปไร้ายร่างกายตกแต่งร่างกายจนเป็นตัวโขนตัวหนังตัวละครขึ้นมาเอดูแล้วเกินประมาณเพราะงั้น อ, อันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทําอันนี้ดับทางกลิ่นคือจมกูกไม่ให้ รับรู้รับทราบตัดกิเลสทางจมูกออกอย่าไปติดในกลิ่นจนเกินไปอันนี้คือขัดเกลากิเลสอีกข้อหนึ่งข้อที่เก้าตามพร่จริงอัิแปดเพราะข้อเจ็ดกับข้อแปดรวมกันนะนัตจจคีมาลาข้อที่เก้าอุจยาสัยนะมหาสัยนะเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีอันนี้งดเว้นไม่ให้นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแล่สหลี ไม่ให้ใช้เผ่าผมที่ยัดนุ่นแลสสำรีเอออันนี้คราว่าตัดสัมผัสทางกายออกไม่ให้เราไปสัมผัสทางกายตัดกิเลสตัวสัมผัสออกเสรุปแล้วศิลจากข้อหกถึงข้อแปดข้อเก้าเนี่ยเป็นศินขัดเกลากิเลสถ้าจะเปรียบเทียบกับของพระแล้วก็คือเป็นทุกงควัดสเตรสะทุดง13สิบสามของพระนั่นเองเออเป็นเครื่องขัดเกลาแต่ถ้าหาว่าใครไม่ทำไม่ไม่ผิด นะไม่ผิดกติกาก็จัดว่าเป็นคนดีอยู่เ อ, อจัดว่าเป็นคนดีถ้ามีศีลห้าแล้วศีลแปดศีลหกศีลเจ็ดศีลแปดนั้นเป็นสิงขัดเกลากิเลสอ อ, อย่างพระก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าพระไม่ถือธุดงเออได้ไหมได้ไม่ผิดวินัยแต่ถ้าว่าถือทุดงได้ไหมดีเออเป็นผู้ขัดเกลากิเลสเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้พร้อมที่จะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพาน ทางว่าถือทุดงเตระสะทุดงสิบสามข้อใดข้อหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งเอในทุดงสิบสามนั้นอย่างพระมหากัจจปะาอยา่างนี้ท่านผูกแข่งในทุดงท่านก็ได้รับเอธะตะคะคือเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเพียงสามข้อเท่านั้นเองในทุดงเตระสะทุดงสิบสามนั้นจะรักษาทุกข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ท่านก็แข่งในสามข้ออยู่ป่าเป็นวัดชงผ้าบางสกุลเป็นวัด ชั้นมือเดียวเป็นวัดออท่านก็ได้อย่างเนี้ยแต่ถ้าผู้ใดขัดเกลามากกว่านั้นอได้อยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ที่แจ้งอยู่ลอมฟังอยู่โคนต้นไม้ชั้นอาสนะเดียวไม่ลุกเมื่อลุกไปแล้วไม่ชั้นอีกสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นทุดงควัตสําหรับพระป่าของเรานี่ก็โดยมาก มาบวชเข้ามาแล้วก็ผูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําเป็นอัตโนมัติเลยว่างั้นเถอ ะ, อะฉันมือเดียวแล้วก็จบเอไม่ต้องว่าสองอาสนะสามอาสนะแหละฉันแล้วก็จบฉันมือเดียวแล้วก็แล้วไปเผอเผอยังให้อดอาหารอีกต่างหากออืมเทดลองอดอาหารดูนะอะการอดอาหารเป็นยังไงอเราไม่ฉันมือหนึ่งสองมือสามมือเป็นยังไงกิจใจเราเป็นยังไงการอดอาหารให้สังเกตตัวเองภาวนา เราไม่ได้อดเพื่อหิวเราไม่ได้อดเพื่อทรมานกายไม่ใช่อัตกิรธรรมฐานุโยกการทรมานกายให้ลําบากเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นการทํามาค้าขายถึงจะยากลําบากก็คือการทํามาค้าขายวิชาอาชีพของเราเบางคนไปนั่งอยู่เฉยๆเฝ้าตลาดหุ้นเขาก็รวยเอาแต่บางทีเราไปเฝ้าอย่างนั้นจนเอาจิบหายลงไป อ, อ, อย่างนี้ก็มีแต่เราก็ต้องทําไร่ทํานาเพราะอาชีพของเราเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกัน การทํามาค้าขายหรือการประพฤติปฏิบัติทำก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอะคือหน้าที่ของเราเราบางทีเรานิสัยของเรามันหยาบเราก็ต้องอดอาหารทดลองที่เป็นยังไงถ้าจิตใจของเราสูงส่งขึ้นมาถึงเออจิตใจได้รับความสงบจิตใจเย็นสบายจิตใจมีความสุขสติของเราดีขึ้นในสมาธิของเราดีมากในขณะที่อดอาหารอันนั้นเป็นวัตถู ก, กับจริตนิสัยของเราเราก็พยายามออดบ้างอิ่มบ้างปฏิบัติเพื่อ เสาะแสวงหาทางที่จะได้รับความสุขทางย่านจิตใจเป็นสมาธิตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือสมาธิและปัญญาผลี่สุดก็นุ่นละความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหะอันนี้คือศินหรือทานสินสําหรับพระว่าทภาวนาทํำยังไงภาวนาคือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจะ ย, ยึดอะไรกรรมาฐานอะไรเป็นหลัก เราคอยยึดกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่โคนต้นโพถ้าเราศึกษาพุทธประวัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้านั้นคือกําหนดลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ใช่บริกรรมพุทโธนะพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ทำนะพอต่อมาพวกยุคพวก หลังๆของพวกเราเนี่ยพวกเราก็ดกำหนดขึ้นมาแต่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากำหนดไว้จริงๆกรรมฐานสี่สิบทันว่าอย่างนั้นกรรมฐานสี่สิบคือกรรมฐานที่จะผูกจิตใจคือเชือกมีอยู่สี่สิบเส้นที่จะผูกใจของเราเนื้อคือจะผูกวัวผูกควายของเราเนี่ยวัวควายของเราคือตัวเดียวมีเชือกอยู่สี่สิบเส้นเราจะเอาเส้นไหนมาผูกอันนี้ก็เหมือนกัน กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้มีอยู่สี่สิบอย่างจะเอาเส้นไหนมาผูกจิตใจของเราให้อยู่นิ่งให้อยู่สงบที่มันจะไม่ขาดไปนะี่ยเราจะเอากรรมฐานไหนอในเชือกสี่สิบเส้นพุทธานุสติระลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโทธทำมานุสติระลึกถึงพระธรรมสังขานุสติระลึกถึงพระสงฆ์อสีล า, านุสติระลึกถึงศีลจารคานุสติระลึกถึงทาน เทวตานุสติระลึกถึงเทวดาคุณค่าที่จะให้เป็นเทวดานั้นทำอย่างไงจะทําให้เป็นคนสูงส่งนธรรมอย่างไงต้องเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมต้องมันขยันอดทนในการเรียนในการศึกษาในการทําหน้าที่การงานจะทําให้เป็นคนสูงส่งเป็นเทวดาได้นต้องทําอย่างนี้อีนนี้ว่าเทวตานุสติอานาปานุสติระลึกลมหายใจเข้าออกอามาละนะนสุสติระลึกถึงความตายอาจจะมาถึงแก่ตน อีกสักวันหนึ่งเราต้องตายในแน่ยตายตายตายเร ล, ล, ลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ อ, อุปสมานุสิติรา ล, ลึกถึงความสงบแห่งจิตใจอันนี้เรียกว่าอนุสติสิบนะอันนี้คือคือเชือกสิบเส้นที่จะรั้งเมียวจิตใจของเราไมา่ให้จิตปุ่งฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับตัวเองอันนี้คือพระพุทธเจ้าวางไว้เชือกสี่สิบเส้นแต่พอมายุคสมัย พวกเราท่านทางหลายครูบาอาจารย์แต่ละสำนักทา ม, มาสอนก็ทําให้พวกเราที่ได้รับการศึกษาน้อยกระทาให้จิตใจคว้ยเขวไปแล้วทีนี้เอ่อบางคนก็เอาเพ่งดวงแก้วในจิตใจออันนี้แหละคือวิปัสสนาะแต่บางคนเอ้ยยุบหนาะพองนเน่ะนี่แหละที่ทางถูกต้องออันนี้ก็เอา้าภาวนาพุทธโธ อ, อันนี้คือทางถูกต้องผลที่สุดมีมากกว่านี้ ที่หลวงพ่อพูดมานี้มีมากกว่าแต่ตามไม่จริงทุกอย่างทุดแท้แต่ท่านผู้ใดจะ ก, กรรมฐานอะไรก็ตามเอก็พยายามทําให้จริงจังอย่างเพ่งดวงแก้วเอาเพ่งเอ้รู้จักให้มีสติอยู่กับนั้นอันนี้ก็ว่าสมถะเหมือนกันเอกําหนดเอขาเก้าวจุบหนอพองหนอะเก้า 9, หนอะย่างหนออันนี้ก็คือเอเป็นกรรมฐานที่จะทําจิตให้สงบ เป็นสมถตไม่ใช่วิปัสนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโถอันนี้ก็คือสมถตยังไม่ใช่วิปัสนาถึงเราจะตั้งชื่อว่าวิปัสนาขนาดไหนก็ตามแต่อาการนั้นยังเป็นสมถตเพียงจะทําจิตให้สงบให้เป็นหนึ่งยังไม่ใช่วิปัสนาคําว่าวิปัสนานี่ย เ, เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะดู ร่างกายสังขารแยกแยะดูความคิดของตัวเองรูปประธรรมเป็นยังไงนามธรรมเป็นยังไงตาไปเห็นรูปเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกลิ้นกระทบรสสัมผัสกระทบกายสิ่งที่มากระทบใจออพอใจไม่พอใจมีความทุกข์อย่างไรอันนี้ก็คือเรียกว่าวิปัสสนาแนละแยกแยะนทนี้ จากนั้นออกมากับพิจนากายกายก็คือเอร่างกายสังขารของเราเอาเกษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อในกระดูกตับไตไส้พุงอกระเพราะอวัยอาหารเอราก็ไล่ไปหมดดูไปหมดเหมือนกับของสัตว์ที่ฉาด น, นั่นแหละเหมือนกับพวกเราเห็นของช้างมา้าโวควยัยหมูหมาเป็ดไก่เอมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอย่างนั้นแนหะ ไม่ติดกันของมนุษย์แต่ว่ามันรูปร่างกลางตัว ane, ้นต่างกันนั่นเองรูปทรงน้นต่างกันมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งสัตว์ทีาชานแต่ละประเภทเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าอวัยวะส่วนรวมนั่นคือเนื้อเหมือนกันเอแต่ว่าเนื้อแตกแตกต่างกันแต่ว่ามีเนื้อเหมือนกันมีกระดูกเหมือนกันเออันนั้นก็คือกระดูกเราก็มีกระดูกอันนี้แยกแยะดูให้เห็นตามความเป็นจริงมนุษย์ชาติของเราเป็นอย่างนี้สัตว์ที่าชเป็นอย่างนี้ แต่ทําไมจิตใจของเราจึงหลงในร่างกายใี่ไหนี่แหละพยายามแยกแยะดูจะนี้่อันดับแรกก็คือทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนเมื่อเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานรองพื้นฐานพอสมควรจากนั้นนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาเนปัญญาคืออะไรคือความคิดนั่นเองเออให้อยู่ในกรอบที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้พิจารณาร่างกายอย่าไปส่งออกไปข้างนอก ถึงจะพิจารณาข้างนอกพิจารณากายนอกกายคนอื่นก็จริงอที่เราเห็นจากนั้นก็ น, นํามาพิจารณากายเราเปรียบเทียบกันกายมนุษย์เหมือนกันกายสัตว์ที่ไรฉันเหมือนกันกายเราก็เหมือนกันอมันไม่มีอะไรที่จะแตกแตกต่างกันในเนื้อหนังเอ็นกระดูกเกสาโลมานะขาทันตาตะโจรมันเหมือนกันถลกหนังออกมาก็เหมือนกันทั้งหมดมีแต่เนื้อแดงเถือกเลือดไหลยเยิ้มออกทั้งหมดนี่อันนี้คือการพิจารณา การพิจารณาทางปัญญานี่ต้องนําจิตคิดนะเอาจิตออกมาคิดแต่การคิดคํานี้คิดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคิดออกว่าร่างกายจะเป็นเพชรนินกินดาจะไม่เน่าไม่เปื่อยจะเป็นของเสร็จสวยงดงามอันนั้นไม่ใช่ธรรมอันนั้นว่าผิดประเภทไปเสียแล้วแต่ถ้าว่าคิดให้เห็นตามความเป็นจริงหนังตอนนี้จะต้องแก่จะต้องเหี่ยวจะต้องยน่นในที่สุดฟันจะต้องหลุดจะต้องหล่นเเหมือนกับเราเห็นร่างกายคน ร่างกายไหนบ้างที่ว่าเป็นเพชรนินกินดาขึ้นมาอายุร้อยปีเท่าไรโอ้ยิ่งสวยงามไปเรื่อยเรื่อยเราเคยเห็นร่างกายไหนบ้างเป็นอย่างนั้นถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นแปลว่าผิดผิดที่ผิดทางผิดประเภทแต่เราเห็นเออร่างกายมนุษย์เมื่อแก่เข้ามาแล้วมีตะแก่งหอมหลังโค้งกระดูกเห็นได้ชัดหนังเหี่ยวผมหงอกฟันหลุด ตาฝ้าฟางหูหนวกอันนี้คือความเป็นมาของร่างกายจริงอย่างนี้แน่นอนไม่มีอย่างอื่นนอกเหนือไปกว่านี้ผลในสุดก็ตายพอตายก็หมดลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็เอาเข้าหีบ เ, เอาลงเอาใบไปเผาออกมาก็เป็นกระดูกอืไปร้อยอังคานนี่แหละชีวิตของคนเรามีเพียงแค่นี้แต่จิตใจนั้นเป็นอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านที่ทเดีอาตมาได้พูดแต่เบื้องต้นว่า พระพุทธเจ้าสูงส่งทางจิตใจมนุษสพุทธโธมนุษย์สัรหันโตอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อร่างกายแตกสลายแต่จิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรที่นี่คือนามธรรมที่อาศัยกายนี้อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลาย เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายครายไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเพชรนินกินดาร่างกายสังขาร น, นี้เป็นของอสุภะปฏิกูลอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายใน แ, แน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ติดยึดมั่นในร่างกายเมื่อไม่ติดมั่นในร่างกายส่วนอื่นเราก็เห็นแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันขนาดร่างกายตัวเองแล้วยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะไปยึดถือ ยึดมั่นในร่างกายของคนอื่นทรัพสมบัติคนอื่นเงินคาทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าไม่หลงกายแล้วจะไม่มีสิ่งไหนที่จะหลงที่เราอยู่ในโลกสมมติเราก็ทาไปอย่าให้ขาดตกบกพร่องเราก็ทาไปแต่ว่าความหลงมัวเมางมงายนั้นยึดมัน่นถือมั่นนั้นไม่มีในจิตในใจแต่หน้าที่จะต้องทำก็ทำไปไม่ให้ขาดตกบกพร่องอันนี้นผู้ปฏิบัติทำ ถ้าไม่ใช่ว่าพิจารณาเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายแลยก็ทิ้งอันนั้นแปลว่าเบื่อหน่ายคลายแบบโง่องๆอ่าไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าปัญญาแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นเบื่อหน่ายคลายแต่ว่าตัวไหนควรจะยึดตัวไหนควรจะปล่อยวางตัวไหนควรจะเข้มงวดกวดขันอ่าท่าเหลือวิสัยควรจะทํำยังไงอยู่ในวิสัยเราควรจะทํำยังไงอันนี้คือเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นแหละรู้จัก คดีโลกรู้จักคดีธรรมรู้จักใกล้รู้จักไกลรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรวางควรปล่อยรู้จักสิ่งควรยึดจะมีความพอดีสําหรับผู้มีธรรมในใจแต่ถ้าว่าผู้ออมีกิเลสในใจมันชุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งถ้าว่าเกลียดก็เกลียดถา้าชังก็ชังถ้าวารักก็รักเอออันนี้แปลว่ากิเลสอยู่ในใจของเรามันบ่งบอกไม่อยู่ในกรอบของเหตุและผลแต่ถ้าว่าจิตใจ เป็นธรรมแล้วได้ฝึกดีแล้วใจของเราจะร่มเย็นใจของเราจะมีเหตุมีผลอันไหนควรทำอย่างไรเพราะนั้นพวกเราควรจะฝึกนะจิตตภาวนาตัวนี้เรื่องวิปัสสนาส่วนนี้สมถะและวิปัสสนาเริ่มมาตั้งแต่ทานศีลแล้วก็ปลูกศรัทธาตั้งแต่เบื้องตน้นให้เป็นครวาตที่ดีครวัตธรรมแล้วก็มีทานมีศีล มีภาวนาสมถะเราจะยึดอะไนกรรมฐานสี่สิบอย่างนันเอาเชือกเส้นไหนมาผูกใจของเราให้เป็นหนึ่งให้ได้ให้หยุดให้ได้จากนั้นก็เมื่อหยุดแล้วก็นำมาพิจารณานำมาคิดว่า ง, งั้นเออมาคิดแต่คิดอยู่ในกรอบออคิดดูร่างกายของเราเนี่ยนะมีอะไรบ้างออมันจริงอย่างที่พระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนไหมเมื่อเรามาพิจารณาแล้ว มันก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขายมายึดมันถือมันไม่หลงกายก็ไม่หลงอย่างอื่นเพื่อไม่หลงอย่างอื่นแล้วเราควรจะทำอย่างไงจะปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ที่โคนต้นโพแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะเฉยได้ถ้าท่านเฉยแล้วเราพวกเราจะเรียนรู้ธรรมะได้อย่างไงท่านปล่อยวางหมดแล้วแต่ตามไม่จริงเมื่อท่านปล่อยวางแล้วท่านจะสอนอย่างไรท่านจะแนะนําอย่างไร ให้ผู้อื่นรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระองค์ที่ท่านได้ตัดสั้นมาแล้วเนะี่ยอันนี้ท่านรู้จักจากนั้นก็วางหลักธรรมวิไหนไว้อีกอย่างพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมากระทั่งทุกวันนี้ก็คือเป็นพระธรรมคําคสั่งสอนที่ออกมาจากใจของพระพุทธองค์คือพุทโธพุทธะนั่นเองจากนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคาในจิตใจท่านก็ น, นํามาสอนพวกเราท่านทั้งหลายอีกอ่ อย่างพวกเราได้รับพระธรรมคําสั่งสอนก็มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเขามาบอกกล่าวกันเป็นทอดๆไปพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็สอนลูกสอนหลานสอนหมู่สอนเพื่อนเออถ้าบอกผนมีธรรมในจิตในใจนะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะ่ะถ้ามีกิเลสในจิตในใจแนละ้วมีแต่ฟืนแต่ไฟแต่เผากันะวันนี้หลวงพ่ออาตมาได้พูดเสียยืดยาวะตอนนี้ไปก็ ให้เตรียมตัวนั่งสมาธิปฏิบัติต่อไปก่อนที่จะนั่งสมาธิปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าในใจพุทโธธรรมโธสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสรุปแล้วก็คือกราบพระพุทธเจ้าสามครั้งพระธรรมสามครั้งพระสงฆ์สามครั้ ง, พ, าา ง, พ, ง, งพุทโธธรรมโธสังโฆจากนั้นก็เอามือลงนะเมื่อเอามือลงแล้ว เรานึกในใจซะก่อนว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขทําใจให้เย็นสบายซะก่อนเนอเรื่องต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตในใจเราปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่คือโทษโกรธเลืองใครๆทั้งหมดเนอทําใจให้เป็นกลางๆทําทใจให้เย็นสบายไม่ต้องคิดถึงอดีตเ <Dam. S 1> มื่อวานนี้เดี๋ยวนี้ที่มาเป็นยังไงทะเลาะกันมาเป็นงไงเราไม่ต้องคิดถึงอนาคต ว, วันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรไม่ต้องคิดในขณะที่ทําสมาธิ ออกไรจึค่อยคิดก็ได้เนี่ยที่เห็นจะมีอะไรอย่าเราคิดทั้งวันทั้งคืนเราคิดมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรช่วงนี้ให้หยุดคิดไว้ก่อนจากนั้นก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ต้องออย่าไปเพ่งอย่าไปกําหนดจนเป็นทุกข์ในการเพ่งจนเกินไปนะทําใจให้สบายๆปล่อยวางให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะ กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกบริกรรมด้วยนะแตถ้าว่าเรามีจะ่กำหนดลมหายใจเฉยเฉยมันน้อยเกินไปมันสั้นเกินไปควรจะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วลึกถึงภ พ, พุทติเจา้าพุทโทพุทโธในใจอ่าเมื่อถึงกำหนดได้เวลาหลวงพ่อจะบอกไปกำหนดนะเอาตอนนี้ไปก็หยุดพูดลัตตนีนะ